พระบัญญัติ135รก็ภิสษจจะสร้างวิหารหลังใหญ่จะติดตั้งบานประตูใกล้วงกบประตูและตกแต่งบานหน้าต่างควรยืนในที่ที่ปราศจากของเขียวดำเนินการมุงหลังคาได้สองสามชั้นถ้าเธอดำเนินการเกินกว่านั้นแม้จะยืนในที่ปราศจากของเขียวต้องอบัติปาจิตติเรื่องพระชนะจบ